การฟังธรรมะท่านเคยได้ระดับแล้วฟังมาต้องควรธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเป็นธรรมะสัญญาคือเกิดจากการระดับแล้วฟังมาในใจธรรมะของเราดังนั้นจึงควรปฏิบัติให้ธรรมะ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 สิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเองนั้นช่ไม่หมดและมีคุณค่าสารประโยชน์ยิ่งกว่าของที่หยิบยืมมาจากคนอื่นซึ่งไม่ต้องส่งคืนให้เขาเรามีเท่าไรถ้าเป็นสมบัติของเราจริงจังสิ่งนั้นด้รับความเย็นใจสบายใจการประปฏิบัติก่ไขจิตใจนี้ โดยส่วนใหญ่ครูอาจารย์ผี้นำศาสนามาตลอดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็อาศัยการปฏิบัติตัวของท่านเองและอยู่ในที่สงัดฤเวมันทีอนิพพานาจิตใจของตนทุกระยะทุกเวลารักษาอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในไม่ให้ก่อควน ยุ่งเ ย, ยิงจิตใจหมั่นที่นี้พิจารณาชำละ ส, ะสางข์จิตใจของตนให้สะอาดปลอดโปรง่งเยือกเย็ยนสงบนี่ทางปฏิบัติของท่านพวกเราทึ่เขาไห่นามว่านักปฏิบัติเนื่อทราบจากพระพุทธเจ้าหรืครูอาจารย์ท่านปฏิบัติ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 แต่เท่าว่าเราควาคิดที่นี้ที่จะได้าหาเสียงเหล่านั้นยังไห่เจอสิ่งเหล่านั้นยังโผล่ขึ้นพอเรายังทํายังไม่ถึงเหมือนกันกับเราขุดบ่อน้ำํำพอขุดไปนิดหน่อยในเจอน้ํากดถอยเสี้ยสงสยัยจะขุดที่ใหม่ขุดยื่งไปเพียงขุดสอบเม็ดไม่เห็นน้ํา ก็เลยใเ้อไปขุดที่ใหม่ขุดทั่วแผ่นดินก็ม่เลยน้ำแต่น้ามันอยู่ในแผ่นดินถ้าขุดกันจริงจังน้ำจะไหลออกมาจะเป็นที่สูงที่ต่าก็ขุดได้ทางนั้นถ้าคุดลงเล็กจริงจังแลละจะเจอน้ำมีเม็ดใสหลาดสนนของพวกเราทุกท่าน เราก็ไม่ทราบว่าวาทศนาบาลานีที่เราเคยก่อหลังสั่งมาเป็นอย่างไรการปฏิบัติลำบากนินดนหน่อยๆกบคอยแต่แต่จะถอยหลังเพราะวาวานะบาลานีของเราไม่มีทําแบบนี้ในถูกจริตนิดใสเลยเกิดสงสัยตัวเองทาแบบลุบๆคําองๆไม่ทําจริงทําจังนักฝนที่มีอยู่ก็เลยโผล่ขึ้น ไม่เห็ น, หนในเต็นในตัวของตัวหมดเป็นอย่างนั้นเราเลยเกิดสงสัยว่าเรามีหมดวาสนาบาราเรามีหรือไม่อย่างนั้นก็จะไปดูหมิ่นนินทาว่าศาสนาลวงมาขนาดนี้มรรคผลไม่มีแน่เราปฏิบัติไปทุกแหน่ทุกมุมทุกหัวทุกแห่งจิตใจก็ยังไม่เห็นดีวิเิดอะไรมีความสงสัยข้องใจความผ่งใจมากแบบจะเกิดขึ้น มาเกิดขึ้นแล้วปัญญาที่จะแก้ไขตัวเองไม่มีก็เลยเสื่อมไปเสียไปในนี้ศรัทธาทำเชื่อมันจะปฏิบัติให้อาจธรรมเกิดขึ้นในตัว <c oughs> เพราะเรื่องที่เล็ก <c oughs> ต่างๆมันพักดันออกไปถ้าทำกันจริงจังเมื่อมันเกิด ความสงสัยลังเลทางใจว่าทำขนาดนี้ไม่ได้ไม่ถึงไม่เห็นไม่เป็นและมรรคผมันจะอยู่ในที่ใดเมื่อมีความสงสัยอย่างนั้นตั้งใจทำกินจังจะบริสัมบริกรรมจนถี่ย ức, ึดในยอมให้จิตจิตววิบลุ่มออกไปาทางนอกเอาให้สงบยังไม่สงบเมื่อใด ไม่ยอมตายไปจะถวายบูชาพระรัตนใจโม่งมั่นอย่างนั้นและทำแบบนั้นจิตจะปรุงปุงไปทางนอกไม่ยอมให้ปุ่งปุงไปจิตจิดคิดปรงปรุงไปทางนอกโดยส่วนใหญ่พวกเราทำภาวนาเพราะจิต กะสับกะสายในรวมรวมให้ใจในสงบไม่อยากสุ่งซุ่มแต่เมื่อเกิดเวทนาหนักเข้าความกลัวตายมันมีเจ็ดนั่นปวดนี้นั่งเหมือนนั่งกองไฟดอเหมือนนั่งบนตายหอไปดับเวลาเวทนาสะเกิดขึ้น แต่ทรงจิตไปคิดปรุงเรื่องนอกไม่ไปเพอะมันกลัวตายมันเสียดายขาดขันจิตมันเยึดมั่นเดินขาดขันมากเหือเกินถ้าหากยอมเสียสละตายขอให้มันตายไปอะไรมันตายให้มันตายไปอะไรเหลืออยู่อันนั้นแหละจะเป็นสมบัติของเราเวลาจะรู้ถ้าถูกจิตมั่นและทํากันจริงจังอย่างนี้ยอมเสียสละ ชีวิตจริงจังอัดทำคําสอนของพระพุทธเจ้าถึ่งเราเคอแสงใสว่าเราไม่มีวัฏจณนาหรือบาละมีของเรายังไม่แก่ฟ้าเพียงพอจะเห็นกันตอนนั้นแหละเราไม่ตายจะเห็นทำที่เนื้อตายเกิดขึ้นพอเราเสียสละตายมันจะเป็นมาหนักขนาดไหนสู่กันพิ่จรณากันจิตไม่รวมกว่าจะเกิดรู้ อย่งการปล่อยวางเลทะนาะหรือหยตดรวมขาดไม่ยึดขาดขันก็จะทราบมีวิธีปฏิบัติที่จะเห็นเห็นอาจทำแสงแจ้งภายในใจมาอย่างนั้นเกิดสงสัยเกิดรังเลยถาคนจิดรวมง่ายนั่นก็อีกอย่างคือพอทำทำไปนิดนิดนหน่อยๆจิตจะรวมให้ได้รับความสว่างสวัยได้รับความเยียดเย็น นี่คืที่มันง่ายจะคือที่มันลำบากต้องสู้ตายในเนื้อจากตายไปจะเห็นถ้าเรายอมเสียสละการประพฤติทรมทาหากเห็นเนจริงภายในตัวแล้วความเชื่อมันเชื่อจริงๆไม่ยอมถอนไปตามลมปากของคนอื่น เขาจะว่าเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขาเราเป็นอย่างไรกระจกอยู่ในใจของเราแต่ความสุขความสบายของการที่รู้อาจเห็นทำรร ม, มันสบายมากอยู่เงียบเงียอยู่เฉยเฉยไม่ได้โยวข้องกังวลกับเรื่องอะไรมีแต่ทิศนาทํามที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั้น มันสบายเขียนผีวไปยุ่งเกี่ยวกับาการงานด้านนอกกับผู้คนทายนอกมันลำคามเพราะโลกมันมีสมมติจะต้องทำแบบนั้นจะต้องทำแบบนี้เลาลำบากลำคามเบื่อสมมติเบือ่อโลกจะอยู่แต่ตัวของตัวมันสบากทำให้ตัว สบายแล้วโลกมันก็สบายถ้าตัววุ่นวายแล้วโลกมันก็วุ่นวายไปหมดถึงสิงอืน่นแต่สาราสถานที่มันเงียบสงบแบบแตจิตมันก็ฟุ่งเฟืงจิตนึกไมมีความสงบไม่มีคว า, สา ม, มาสบายนี่คือจิตวุ่นวายจิตติดข้องกับอารมณ์ฉะนั้นจงกจัดที่นี้พิจารณาหาทางรักษาจิต ไม่เหวี่ยวับเหตุ่งปูนออกไปสู่เรียงนอกเร่ยงนอกเราใช้นึคิดเหยียบควงมาเป็นเวลาหลายปีคุณความดีอะไรเกิดขึ้นจากการนึกคิดติดตามอารมณ์มีไหมนอกจอดทำดีใจเสียใจเ่อมมองฟองใสตามเหีงยงสัญญาอารมณ์ต่างๆมันไม่มีอะไรดีเด่นเป็นธรรมใหา้ เวลานี้เรามาฝึกจิตฝึกใจจะกั้นต่างห่วงห้ามไม่ให้อารมณ์ส่วนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเราจะกาหนดบทพุทโธต่อกำหนดอยู่นั้นจนจิตเป็นพุทเป็นโคจริงๆเราจะกาหนดเรื่อง ก, รรง ะ, กองะดูกหรเนื่อหนังที่ไหนต่อกำหนดอยู่นั้นจนให้มัน รู้มันเห็นตามเป็นจริงจิตที่จะปล่อยวางสมมติได้ก็ต้อ ง, ดดองอาศัยปัญญาที่นิยติเจรณาเป็นจิตรู้เห็นเป็นจริ ง, รรงยอมจนอนํานนแล้วสิ่งทั่วไปเป็นอย่างไรเห็นตามเป็นจริงแล้วความเป็นจริงส่วนนั้นซึ่งเป็นสมมติเราก็รู้จิงที่นเกี่ยวข้องกับสมมติความบรู้สึกเราก็รู้มันจะหมดเรื่องการปฏิบัติจิตใจมีทางสิ้นสุดได้มีความ สว่างสบายเนื้อทำเบาสบายไม่เหมือนงา น, า ง, งานทางโลกงานทางโลกมันไม่มีวันจบสิ้นเสร็น ง, งานนี้มีงานใหม่แต่ ง, งานทางจิตทางใจมีเวลาที่จะจบจะสิ้นจบอย่างไรเราจะทราบจากการประปฏิบัติของตัวเองเพราะทำเป็นสันทิปติโกเห็นเอง มันยุ่งมันพลเราก็เห็นมันละมันขอนเราก็เห็นมันปล่อยมันวางอะไรเราก็เห็นเป็นจิตเป็นมีมุตเราพอเห็นเป็นอย่างไรเป็นมีมุตความสงบสุขจี่เราเข้าชี่ได้หรือทางสำหรับเวลาว่าสมาธิสมาบัติเราเคยผ่านมา สงบขนาดไหนเป็นอย่างไรเราก็ทราบแต่จิตมันขาดจากสมมติหรือยังหรือยังจิตในความสงบสว่างสวัยําจุดทางใจอยู่แล้วทราบมาทั้งนั้นเมื่อจิตพ้นจากโลกเป็นอย่างไรอันนั้นมันเปนน็นทางสงสัยอีกเหมือนกันว่าจิตนี้ม่อยู่ในขอบเขตของสมมติ ท่านจรงรียกเรียมุตจิตนี้ในอยู่ในวงของโลกเหนือโลกท่านจรีรยกโลกุตระทราบทุกคนไปถึงจะพูดให้รู้ให้พอใจไม่ได้ท่านก็ทราบในรายจิตของท่านในตัวของท่านแล้วเมื่อท่านเป็นอย่างนั้นอยากอะไรมันต้องมีอาการอยากของใจของจิต เพราะเหตุใดเพราะมันอิ่มพอเมืองพอดีอยู่ที่จิตกระลิศเมืองพอดีอยู่ที่ริมุความหลุดจากโลกไปเป็นจิตพอดีอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกไม่ต้องหาอะไรมาผนเติมมันสุกพอเหมาะพอควรทุกสิ่งทุกอย่างเม่อเห็นเด่นอยู่อย่างนั้น เรื่องการปฏิบัติไปข้างหน้าจะปฏิบัติหาอะไรจะได้อะไรอีกก็ทราบว่าไม่มีอะไรความบริสุทความเป็นมีมุตเชียงแข่นี้จะปฏิบัติไปอีกทีว่าสี่พันสีจะให้มันดีเด่นขึ้กนกันนี้ไม่มีอีกแล้วจิดเส่วนนี้จะไปเสื่อมไปเสียกับเรื่องอะไรอีกท่านกา็ทราบ ว่าไม่มีการเสื่อมการเสียเศรษฐายายเล่าท่านซึงเป็นประสมภาวนาหาที่สงบนั่นเป็นนีหารธรรมสำหรับท่านที่จะอยู่ในเมืองมีธาดมีขันจะต้องรักษา่ัานรู้จักในตัวของท่านเองอย่างพระพุทธเจ้าท่านถึงลีมุดถึงที่สุดของอาจธรรมท่านก็ยังมีการ นั่งภาวนาเดินโยมกลมอยาสรรเสริญผีนี่สมมตินอย่างไรท่านกะใช้ไปตามเดื่ยวของสมมติความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรไปจากในพระทัยของพระองค์พวกเราก็ไม่มีขีดข่านอีกเหมือนกันถ้าหากปฏิบัติอย่างท่านเห็นอย่างท่านก็ทราบอกว่าผู้ใต้เท่าเป็นอย่างไรอรหัตอรหันเป็นอย่างไรแต่ทับในจิตในใจเอง ไม่ต้องไปกังวนสงสัยถ้ากขอเพื่อปฏิบัติไปถึงจุดที่จิดจริงจังหมดปัญหาทั่วไปแต่ทางที่จะเป็นไปได้ถึงความบริสุทธิ์อิมุติพานอย่างนั้นก็อาศัยพวกเราท่านถูกอบรมทีนิดที่จะนารักษาตายวาใจาใจของสนมันค้นคิด ติดต่อจิตใจจิตคล้องอะไรสงสัยอะไรที่นิพพานะแยบแยะดูให้รู้ให้พอใจรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งนั้นนั้นจิตมันก็จะต้องวางต้องปอดที่มันไม่เห็นตามเป็นจริงมันเกิดสงสัยก่อนี้พิพพานะอะไรมันซ้อมผัดกับใจพี่จะนาอยู่นั้นจะนี้วันมีเวลาที่มันจะ หายเช่งใสนี่คือจิตใจในเป็นในเห็นในรู้อย่างนั้นมากอยากนึกคิดส่งออกนอกคิดอย่างนั้นกรึงอย่างนี้ในเวลานะั่งเวลาเดินเวลาใดก็ตามจิตในวกเข้ามาภ า, ายในในเป็นโอปัญญโกธรรมของพระพุทธเจ้ า, จ า, าเป็นโอปัญญโกน้อมเข้ามาเห็นอะไรน้อมเข้ามาแมะสอนจิตของตัว ไห้รู้เห็นเด่นชัดในสิ่งหนานั้นแล้วจะไมีมวันสงสเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงเด่นชัดในสิ่งหนานั้นมันวางเองียงสอยเองนี่ทเกิดสงสัยเกิดราคากัญหาเกิดตหนักยินดีเกิดชางอยากได้เพราะจิตมีความสงสัยเพราะจิตไม่เห็นสิ่งนั้นเด่นชัด ตามเป็นจริงได้เกิดกำนังเกิดยินดีเกิดอยากึงเรียกว่าราคะทานกำังปัญหาทานอยากเกิดขึ้นในใจราคะปัญหาในใจทานนำความสุขมาให้สำหรับผู้ประกอปฏิบัติาอาธทธรรมมีมาเท่าไราก็จะแฉดเขาจิตใจ ให้เด hey, ือดร้อนวุ่นวายเท่านั้นจะให้ดับให้พอเพราะเรื่องจิตปรุงปร่งไปในด้านเหล่านั้นไม่มีคิดเท่าไรยุ่งยุ่งคิดเท่าไรยุ่งเดือดร้อนยุ่งแฉะเผายิ่งเทมมัวเมาในเรื่องเหล่านั้นทางที่จะปฏิบัติจิตใจให้แจ้ายละถอนเรื่องเหล่านี้ตามหลักตําราลครูอาจารย์ท่านกุเพนเนี่ยสอน มื่อจิตของเรารวมสงบสงัดมีพื้นฐานพอสมควรก็ให้ที่เจรนาที่เจรนากายใหาแยกทายลงไปถี่มันเกิดกำหนัดพอใจมันเป็นหนักเพราะอะไรเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจแน่นอนเรื่องของกายถี่สมมติว่าหญิงชายมีอะไรสิ่งเป็นหน้ายินดีพอใจ เราขาดอะไรสิ่งที่เราไปหนัดเย็นดีอะไรตัวของเรามีหรือไม่สื่อที่นิพพานะหนังเนี้อเย็นอกระดูมก ม, ม, เเมกีเหมือนกันหรือไมทั้งเราทั้งเขาเรสิ่งเหล่านี้มันใครทุกข์ใครทุกข์อย่างไรเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เราก็ทราบ แต่สิ่งเหลา่านี้มันไม่มีความกุกอะไรใครยึดถือคนนั้นเป็นทุกข์เป็นบอ่อเกิดของโลกใครใครเจ็บต่างๆและสิ่งเหล่านั้น เ, เสร็จสม ง, งามหรือไม่ล้วไหลออกไปทางสวรรค์ต่างๆเป็นอย่างไรหนีเป็นทางที่นิริศไถ ท, ทางที่นิพพานาใครจิตรู้เห็นเด่นในเรื่อนของลูก เราเห็นเด่นเข้าไปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเราสมมติว่าหญิงว่าชายว่าแข่งว่าขาว่าหน้าว่าตาว่าอะไรว่ต่างๆนั่นเป็นเรื่องสมมติเขาไรารู้อะไรทั้งนั้นแต่เราสมมติเราเขียนแล้วเราเลยอ่านของตัวนี้ออกเลยไปหลงสมมติในใจเรารู้เรารู้หรเราหลง หลงหรือรู้ทังหลงทังรู้อ่ะเราจะรู้แจ้งที่พระพุทธเจ้าแนะสอนรู้แบบเรื่องหลงรู้อยู่แต่มันหลงอยู่แต่มันรู้จริงมันไม่หลงสมมติมเป็นสมมติจริงจริงสมมตเป็นอย่างไรก็ไม่มีการตังใสแล้วจริงที่จะรณมาให้มันคีข่วน ให้มันเข้าใจเมื่อเข้าใจเรื่องของรูปสมบูรณ์รูปอันนี้ทั้แต่ว่าธาตุทั้งสี่รวมกันเข้าเขาไม่รู้จักว่าเขาเป็นอะไรเป็นแต่จิตไปลุ่มหลงไปก็มดขึ้นแล้วอะไรมันํำหนักยินดีมันอยากได้เร่องจิงเหล่านี้เ่าจะไปเห็นเรื่องของจิต ทลายลูกออกไปเราจะไปเห็นเหลืองของจิตจิตเป็นจิตของยินดีจิตมันได้อะไรจากเรื่องเหล่านี้นอกจากความวุ่นวายจังวลมันมีความสุขความสบายอะไรจากเรื่องลูกเสีย ง, งเหล่านี้มันพ่จารณาทีท่วนไปจากแทรกเทนีนมันจะ่อยเรื่องของลูกแต่เขาเป็ พิจารณาเหลี่องของจิตจิตเป็นจิตเปตรปุลงต่างๆสติป่าปัญญาคมรู้จักทุกขณะทุกเวลาจิตปุงแทบเมื่อไรทันเมื่อนั้นเรื่องของรูปจะใสความไดยใสยมันก็ใบไปคฟถามันทพิจารณาหยาดทายจนปล่อยวางเห็นเรื่องของจิตจิตเป็นจิตของเป็นของสําคัญเป็นเรื่องของกายแล้ว มันจะที่เยนาเรื่องของจิตที่เยนาอยู่นั้นอะไรมันสัมผัสเรื่องของจิตที่เยนาเลื่อยไปเป็นที่สุ ด, ดจิตจะคิดขณะของมันจะเกี่ยวข้อกับเรื่องอะไรอีก หนึ่งที่สําคัญพวกเราท่านจะต้องปฏิบัติเบื้องต้นจะต้องประเปฏิบัติตตให้จิตของตนได้รับความสงบสงัดพอได้รับความสงบสงัดจะต้องพิจารณาเรื่องตายเรืธาตุขันธ์เพราะที่ตั้งสําคัญขอความหลงของเรื่องธาตขันธ์ถ้าหลงว่าเราเราก็ไปหลงเขา่าทําลาย ที่ว่าเราอะไรเป็นเป็นเรากันเนี่ที่ใจนาแยกแยะดูให้ทว ถ, ถึงแล้วเราไม่มีมีแต่สมมติตัวจริงไม่มีเหมือนเป็นอย่างนี้เราไม่มีหรอเขาขนนมันก็ไม่มีไปจากในตัวอย่างไรย่ อื่นไม่ต้องไปแก้ไขพเพราะเปนเหตุมันไปจากนี้มันไม่ไปจากอื่นท่านจึงให้พิจรารณาเรื่องตัวเองแต่คนที่ชอบพิจรารณาภายนอกทางก็บอกไปดูอสุภาอสุทังในป่าชาพิจรารณาน้อมเข้ามาสูออตา่ตัวเองแต่ผูดถึงพิจารณาตัวเองได้ก็ตอนน้องเไปดูป่าชาที่อื่นดูป่าชาในตัวก็พอ เห็นตามเป็นจริงแล้วทางตำหนักยินดีมันหมดไปสิ้นไปเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีอะไรที่นะ่าจะตาหนักยินดีพอใจอวยยะเพศต่างๆมันไม่ทราบอะไรนะเป็นเรื่องของจิตแท้ๆอย่างไรเว่าเหอนนั้นไม่รู้อะไรแต่จิตบ้ากวาเลยทำให้ สวนอื่นเป็นบ้าไปตามแก่จิตห้หายบ้าส่วนอื่นม่นก็ปกติั้งหมดจึงควรรักษาจึงควรปฏิบัติให้รู้เห็นเด่นชัดในเหลวงยุใใสัยธรรมะสอนมนุษย์ในสอนสัตรเราเป็นมนุษย์อยู่แล้วควรที่จะต้องพึ่งปฏิบัติให้รู้เห็นตามเป็นจริง พรอไร่มีอะไรปิดบังนอกจากวิเวกตัญหาของเราปิดบังตัวของเราเองธรรมะเป็นของสว่างสวัยอยู่ทุกการทุกเวลาธรรมะมีมาแต่แ่ไหนแต่อะไรในแต่เกิดวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นิยมแต่ไหนแต่อะไรมาแต่คนไม่ได้นำ ธรรมะมาที่เจรินาแนะนาธรรมะมาแนะนตัวประวัติธรรมะไม่มีในโลกก่อนมีในโลกของเขาคือในจิตของเขาจิตของเขาไม่รู้เห็นไม่เป็นอาจเป็นธรรมแล้วถึงจะแบกจาลาผ่วงที่ศัดิของเขาจิตใจของเขากนไม่เห็นอะไรดีที่สุด การขึ้นธรรมะจะต้องขึ่งเหนการต่อเพฤ่อปฏิบัติขึ่งเหนือการที่นิพพิจารณาอะไรที่จะทำใจให้สว่างสวัยให้เยือกเย็นให้ละถอนความติดข้องได้อันนั้นแหละเหอกว่าธรรมะธรรมะเป็นเสื่อมําระซักฟอจิตใจ หากนำมาไขจิดที่นิพพยายนาในทางธรรมะที่เหลือปัญหามันกลัวจิตเดี่ยเดียวถ้าหากเราคิดลงออกไปในด่านชั่วมันก็เต่ามองติดข้องกาหนัดเพลิดเพินถ้าเรามาพิกานณาด่านธรรมะจริงๆจะผัดข้องกาหนัดยินดีต่างๆมันจะแก้ไข ส่อยวางไปในตัวเพราะจิตมีดวงเดียวทำหน้าที่เดียวจากนั้นท่านจึงให้มีสติรักษาจิตในคิดปรุงไปในทางทั่วคิดปรุงกว่าให้มีสติมีปัญญาตามรักษาแนะสอนเห็นอะไรได้ยินอะไรนำมาที่นิยติจารณาสอนใจตัวเองแต่เวลา สติเรายังไม่ดีปัญญาของเรายังไม่พอห้ามที่จะให้ฟุ้งงคิดนึกไปทางนอกให้สังวนให้ระวังคือให้จิตรวมให้จิตนิ่งเมื่อจิตรวมจิตนิ่งได้แล้วจะออกไปดูไปคิดเรื่องอื่นมันก็เห็นตามสภาพความเป็นจริงได้ ถ้าจิตยังไม่รวรวมเป็นสมาชิแล้วจะไปคิดติดตามเรื่องอื่นมันตรงนอกอาจจะลุ่มหลงติดข้ อ, กของกำหนัดยินดีใปต่างๆดังนั้นทางศาสนาผู้บวชมาผ่านจริงสอนกรรมฐานาทั้งห้าให้เพื่อให้อาวุธพูดง่ายๆจะจะต่อสู้ เรงที่เหลือปัญหานั่นเองอย่างเชสาโรมานาคาทันตาเพราะทุกคนที่เกิดมาร่วงแต่มีที่เหลือปัญหาจิดมาแล้วทางนั้นเมื่ออย่างนั้นมไม่เลยเกิดคนหมดที่เหลืหมดพบหมดชาติจะมาเกิดทําไมต้อมีเกิดกต้องมีที่เหลือปัญหาติดมาทางนั้นที่เหลือัญหาที่จิตใจไปกลัวพันหลุมหลงกลัวใจ เพื่อหลงอะไรพอพระพุทธเจา้าโดยวิเนศไฉที่นศพิจารณาแล้วจึงบัญญัติให้อุปัชยะแนะสอนคุรธาบุดผูกบวช้ามาในทางศาสนาให้สอนกรรมฐานเยสาโลมานาคาทานตากระจกทื่งทั้งห่านี้แหละทำจิตใจของมนุษย์ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายให้ลุ่มหลงเยสาเคือผม ถ้าคนไม่มีผมเขาไม่ชอบกันเห็นเ่าเขาก็ไม่ลุมล่มหลงผมไม่มีดังนั้นอย่างนี้น่าเกลียดเน่ายตัวเขวากันไปพอควารจริงถ้าหากิุจรณาไปด้านโลกมันก็ทําให้หลงใหได้จริงๆผมมันดกมันดํามันทําแบบนั้นแบบนี้ทําให้ลุมล่มหลงคนเสียเ ง, งินเสีอทองเพราะผม นับไม่ได้ไม่ว่าแต่ประเทศไทยประเทศนอกก็เหมือนกันเสียงเงินไปเดือนหนึ่งหนึ่งไม่สักกว่ากี่ล้านเพราะการแต่งผมอยากให้มันสวยให้มันงามอย่างนั้นอย่างนี้คนจีตาไม่ดีตาหัวต า, ววามัวผมไปหลยจริงจริงเพราะมนที่เจริญนาตามความเป็นจริงของผมผมมันเกิดขึ้นมาจากอะไร อะไรเป็นเครหล่อเลี้ยงให้มันยาวออกมากลิ่นของมันเป็นอย่างไรถ้าหากเราไม่สระไม่ล้างใน้วตอนที่จะราากันเมื่อตกนวลออกมาจากที่สระเป็นอย่างไรเอาไปขิงไว้ที่นั่งพื้นอนเป็นอย่างไรขิงใส่ชาช น, นะอาหารเป็นอย่างไร ด, งดื่รืงเลือกินได้ไหม ใช่คิดที่จาหาทางสอนใจให้รู้ตามเป็นจริงจะไม่นนหลงในเรื่องของผมขนก็เหมือนกันก็เป็นประเทือดเดียวกันกัะผมแต่มันเกิด อ, อยู่คนละที่ละฐานเรื่องของกรกโกเหมือนกันยิ่งขนยิงลมผ้าแล้วยิ่งไปกันใหญ่ตะโกนไปอะไรเลยเหียดกัน แต่เมื่อหลงเพราะจิตไม่ได้มีอัตรามไม่ได้พิจนาตามเป็นจริงเลบฝันโยงเงินโกงทองไปเท่าไรในใจของเล่นๆหลงกันทั้งจิตของเหล่านั้นตทีกูลของเหล่านั้นเป็นของไม่สวยงามในใจของดีของดีแต่ จ, จิตที่มัวเมาเฝ้าฝัน โลกสมมติเขถือการอย่างนั้นโดยในในเด็กพิจรารณาตามจนิงจริงกลงตามเขาวิ่งตามเขาจะต่ายตื่นตุ้งคิดไม่มีหลักเงีเยนเป็นอย่างนั้นทางศาสนาท่านพิจารณาตามหลักเงียบของมันต่ามันเป็นอย่างไรกันแน่เล็กของเราถ้าหากไม่ตัดไม่แคะเป็นอย่างไรมันสวยไหม ท่านก็เหมือนกันอ่าส่้นทางในสไลดาสายแสงแรงสางจะบินม า, มาแมลงวันเป็นหมูเพราะเหตุไรมันหอ ม, มแมล็วันมันถึงชอบแต่มแมลงวันชอบมันหอ ม, มแมลงวันไม่เจอหอมคนนะจูมีอาดมีท่านท่านที่เจอนาเห็นเป็นอาสุพะอาสุพังเห็นตามเป็นจริงเราไม่หลง ว่าของเหล่านี้เป็นของกับจีกูนหนังก็เหมือนกันถลอกออกดูสิมันเป็นอย่างไรมันสวยไหมใครเอาจะ ท, ทํารองเท้าเอาไปทาําผ่านมือีชนะนั่นจะทำกระเป๋าถือหนังคนยังตกหล่นออกไปนิดๆห น, น, น่อยๆเป็นบาดเป็นแผลแตยังน่าเกลียดน่ากลัวทําไมมเป็นอย่างนั้นแล้วก็โลงมันทําไม เราเป็นอย่างไรเพราะเป็นอย่างนั้นมันมีอะไรที่จะแตกต่างกันหัวทดพิจนาแยบทายลงไปเชื่ใจยอมจำนนเห็นเนจริงอย่างนั้นความสำนึกในจิตในใจที่เรารูปนั้นเป็นอย่างนั้นสวยอย่างนี้มันก็หมดไปนี่อาวุธของอุบายตายะใหะ้ใจสงบสบายไปสถานที่ใดรูปเสียงมีอยู่ในโลกขอจริงแต่จิตไม่ิต ในเรื่องรูปเสียงเหล่านั้นมันก็สบายอะไรจะมาเป็นอันตรายแก่พรมอาจารย์ท้องตัวเดวรักษาพรมอาจารย์ง่ายนี่มันไม่เห็นการเป็นจริงอย่างนั้นท่านเอาอาวุธให้แล้เหนยใช้เอาแต่แกเอาวัตคองเสียดสันหาของตัวไปใช้ก็เลยจะหารตัวเองตายไปตายไปอยู่ไม่ได้คนไม่ไหวพอใจมันฟุ้งฟุ้งจิตติดล่อง กับเรื่องโลกเรื่องนอกมันไม่เห็นตามเป็นจริงในก่ออาจก่ อ, อทรมันก็เลยอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้แทนที่ออกไปมันจะมีความสุขกายสุ ข, ส ข, สขใจยิ่งทุกข์ทวีทูนขึ้นเพราะความหลงข้องใจจะยิ่งถอายมันก็ไม่ทันเรื่องของกิเลสปัญหา ต, ต้อตัดมันการตัดตัวอาศัยอัดทำสที่พระพุทธเจ้าแนะสอนที่นี้พิจารณาภาพเหล่านั้นให้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันปล่อยเองวางเองมันไม่ยึดไม่ถือไม่จิตไม่ท่องไม่ว่าตั้งแต่รูปมนุษย์ธรรมดาจิตใจที่ละเอียดเข้าไปในการที่นีพิจารณาเรื่องราคา ท่านจะต้องกำหนดจิตใจนะรูปิดใจะเป็นข่าสึกต่ตรูเ้ยตาหนักยินดีมันจะเป็นอย่างไรจิตของเราจะคี้แทงไปจิตแบบไหนจะมีความสงสัยจิตค่องหรือไม่เมื่อจิตท่านมีกำลังท่านจะน้อมนำรูปต่างๆมาทดสอบคอยจับจิตจิตใจนั้นว่ามันยังอยู่หรือมันหมดไป ทันทดสอบดูทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนั้นรูปมนุษย์ไม่มีทางสงสัยรูปเทพก็เกิดมีนิดกับจิตกับใจสิ่งบางครั้งบางหนอาจจะเกิดมีนิดพวกเทพต่างๆนางฟ้าและงามขนาดไหนซึ่งเราไม่เค่เห็น <c oughs> จะเกิดมาแต่อำนาจภาวนาอำนาจของอัตธรรมจะเกิดขึ้นรูปมนุษย์ที่เราเคยเห็นว่าสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากไปดูเรื่องรูปเทวดาท่ า, น, าทนเจนท่า น, นเห็นจะไม่มีการติดข้องอะไรในรูปของมนุษย์เพราะรูปของเทวดสวยงามกว่ามนุษย์หลาย แสนเท่าอย่างพระพุทธเจ้าพานันท า, าไปดูลูกขวกนางเสนีไปดูลูกสัตว์ป่าต่างๆแล้วไปดูนางฟ้าถามนันทะเป็นยังไงนันทะในบทกรณียของเธอเหมือนนี่ไหมไปพูดเหนนางลีนนางเสนีกดเสีย อ, อกเสียใจ ว่พระพุทธเจ้าดูนิ่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้พอไปดูนางเสือัสอนนางฟ้าลืมหลงไปหมดจะได้เชี่ยวหนึ่งส่วนหนึ่งของนางฟ้าไม่มีสนบทปัิยานเหมือนนางลิงนางสนีมีผู้ที่เห็นในการภาวนาเกิดมีมิสต่างๆขึ้นเรื่องของเทศยุด ท่าเข้าใจว่าหมดไปแล้วเรื่องราคาตันหาในเรื่องมนุษย์ธรรมดาเดียวสอบมาทุกเรื่องทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะจับเรื่องของจิตได้ว่าจิตข้องในรูปส่วนนั้นจะไเจริญขนาดยินดีในรูปแบบ น, นั้นเมื่อไปเห็นพวกเทวดนอย่างไรท่านก็ทดสอบจิตใจอีกเหมือนกัน เราไม่มีอะไรที่จะสงสัยรารูปเกิดมาแล้วมันจะไม่แปรปรวนมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะยั่งยืนคงท น, นรือรูปนั้นจะไม่มีความปฏิกูลจะต้องมีเหมือนกันท่านจึงไนสติดไม่ห่วงไม่กำหนักในยินดี ไปสถานที่ใดเมื่อใจเป็นอัดเป็นทำชาคือูกศตรูเปล่ยนรูปเป่วนเสียงมันก็หมดไปพอใจท่านไม่ิดขอ้อถึงสิ่งเหล่านั้นจะยังคงเต้นคงวางอยู่ทั่วดินฝ้าอากาศตัวตาแต่ท่านก็อยู่สบายแต่เมื่อจิตของเราเกิดตำหนัดยินดีเกิดที่เดือดตันหายังมีขามติดในใจไปะถานที่ใดก็ไปเถอะ ไปในตาในเขาว่าจะในนีน่อะไรจะให้จิตใจกำนัดยินดีมันก็เกิดบ้าเกิดบอเพราะมันขึ้นเองเพราะจิตมันมีคิดมีภยัยจิตใจทั้งตนไม่ส่องใสบริสุทธิ์เลยหาความสุขความสบายไม่ได้ไปสถานที่ใดที่ีที่นั้นเพราะจิตมันไม่ปกติ เรา้ะมีเดือยใจยังฝึกจิตรวมใจทั้งตัวให้สงบให้เยือกเย็นนำอาวุธที่พระพุทธเจ้าหรืออุปสายาสอนมาที่นิ่ที่รณนาเพื่อถอดถอนที่เดือดปัญหาแก้ไขจิตใจที่ลุ่มหลงให้ต่างร้างให้เบาสบายและพวกเราทั้งหลายที่เป็นสมณะที่เป็นพระนักปฏิบัติก็จะสมท่ว่าเราเป็นนักปฏิบัติจี เป็นชาติน่ากราบหน้าวาว้หน้าบูชาในตัวเองตัวเองเลี่ยงใช้ในความเจนใจไปของตัว